ชีวิตของพวกเรานี้มีการพัฒนาได้สองรูปแบบด้วยกันคือพัฒนาแบบชั่วคราวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนการพัฒนาแบบชั่วคราวก็คือการพัฒนาทางร่างกาย ทางราบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้จะเป็นการพัฒนาแบบชั่วคราวเพราะว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวนั่นเองร่างกายนี้อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายไปสิ่งที่พัฒนา ร่วมกับร่างกายคือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องหมดสภาพไปตามการหมดสภาพของร่างกายส่วนการพัฒนาแบบยั่งยืนแบบถาวรก็คือการพัฒนาทางด้านจิตใจ คือการพัฒนามรรคผลนพาณิชเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ถาวรเพราะว่าจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายเหมือนกับร่างกายพวกเราส่วนใหญ่ นี่จะรู้จักแต่การพัฒนาแบบชั่วคราวกันคือพัฒนาทางร่างกายพัฒนาทางลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะไม่มีใครรู้จักเรื่องของการพัฒนาแบบยั่งยืนแบบถาวรคือพัฒนาทางด้านจิตใจกัน เราจึงได้แต่สิ่งที่เป็นของชั่วคราวได้ความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียมันไปเวลาที่ร่างกายแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยและตายไปในที่สุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เราจะไม่รู้เรื่องของการพัฒนาแบบยั่งยืนเรื่องของการพัฒนาจิตใจด้วยการพัฒนามักผลนิพานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้ส่งค้นพบการพัฒนาในรูปแบบนี้หลังจากที่พระองค์ได้ส่งค้นพบ การพัฒนาแบบยั่งยืนพระองค์ก็นำเอาการพัฒนาแบบยั่งยืนนี้มาเผยแร่สั่งสอนให้แก่พวกเราผู้ที่มีความศรัทธาหลังจากที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติ พอปฏิบัติก็จะได้บรรลุมากผลนิพพานกันได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่ถาวรได้พบกับการสิ้นสุดของความทุกข์ที่ยั่งยืนที่ถาวร น, นี่คือการพัฒนาสองรูปแบบที่เราสามารถที่จะเลือกพัฒนาได้ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนเราก็ไม่มีทางเลือกเราก็มีการพัฒนาเพียงทางเดียวคือทางร่างกายทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดผลพระกันนี่คือลักษณะของผู้ที่ไม่มีศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นผู้สั่งผู้สอน ก็จะอยู่กับก็จะพัฒนาอยู่กับทางร่างกายหาลาภหายศหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ต้องสูญเสียสิ่งที่หามาได้ไปเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาพัฒนาความสุขแบบนี้ใหม่ กลับมาพัฒนากี่รอบกี่ครั้งก็ต้องสูญเสียไปหมดแล้วก็ต้องกลับมาพัฒนาใหม่กลับมาเกิดใหม่จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี หรือได้พบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะได้เรียนรู้วิธีพัฒนาแบบยั่งยืนแบบถาวรถ้าน้อมนำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติก็จะสามารถพัฒนาจิตใจให้จเจริญขึ้นไปตามลำดับ ไปจนถึงขั้นสูงสุดได้โอกาสที่จะได้พัฒนาจิตใจแบบ ย, ยั่งยืนนี้นานๆจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งเพราะนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏเป็นผู้นําเป็นผู้สั่งสอนให้พวกเราได้รู้จักวิธีการพัฒนาแบบ ย, ยั่งยืนกันถ้าใด ที่ได้มาเกิดมาพบพกับพุทธกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นชาติที่วิเศษเป็นโอกาสอันเลิศที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเรานี้มันก็ยากอยู่แล้วนานๆจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่ง ừ. แล้วการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เรได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นความยากอีกประการหนึ่งยากสองประการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าเพราะการปรากฏของพระพุทธศาสนานี้ก็นาน า, นานจะปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่ง เช่นหลายล้านล้านชาติด้วยกันถึงจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็หลายหลายล้านชาติเหมือนกันกว่าจะได้มาเกิดสักครั้งหนึ่งเพราะการไปเกิดเป็นอย่างอื่นมันง่ายกว่าเกิดเป็นเดรัจฉานนี่ง่ายกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้น การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่ยากมากและเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะทําให้เราได้มารู้จักวิธีการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาพัฒนาแบบชั่วคราวกัน่ะแบบ พัฒนาแบบชั่ครานี้เดี๋ยวก็ต้องกลับมาพัฒนาใหม่เวลามาเกิดแล้วเรามาทำมาหากินหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆอาจจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายุรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระ ม, มหาจากักรพรรดิ ก็เป็นได้ชั่วคราวเท่านั้นพอร่างกายตายไปสิ่งที่เราหามาได้มันก็หมดสภาพไปเราก็ต้องไปต่อไปเกิดเป็นอะไรต่อตามบุญตามบาปที่เราได้ทำกันไว้ในขณะที่เราเป็นมนุษย์แล้วหลังจากที่เราได้ไปใช้ผลบุญผลบาป เราถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาพัฒนาแบบชืคราวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่เรารู้จักพัฒนากันจนกว่าเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราถึงจะได้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาแบบยั่งยืน แบบถาวรแบบที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัฒนาสิ่งต่างๆอย่างที่เรากำลังพัฒนากันอยู่ในขณะนี้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความวิเศษของการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเรามาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้มาพบในรูปของเป็นของความเป็นมนุษย์เช่นเรามาเกิดเป็นเดรัจฉานอยู่ในป่านี้เดรัจฉานนี้เขาอยู่ในป่านี้เขาก็ได้พบกับพระพุทธศาสนาเหมือนพวกเราแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะ เอาประโยชน์ของพระพุทธศาสนามาทำประโยชน์ให้กับเขาได้เพราเขาไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์มนุษย์นี้พระพุทธศาสนานี้ปรากฏขึ้นในคราบของมนุษย์คือพระพุทธเจ้านี่เป็นมนุษย์พูดภาษามนุษย์ สัตว์ดเดราชฉานนี้เขาไม่สามารถเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้เขาจึงไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาแบบถาวรแบบยั่งยืนได้เขาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาคือไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นเอง พวกเรานี้จึงถือว่าโชคดีมากที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอันประเส ร, ริฐของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีการพัฒนาแบบยั่งยืนแบบถาวนคือการพัฒนาทางจิตใจ พัฒนาจิตใจของพวกเราซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นมนุษย์อยู่หรืออาจจะเป็นต่ํากว่ามนุษย์ก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราถ้าเรากระทาบาปอยู่เรื่อยๆจิตใจของเรานี้จะเสื่อมลงไปไม่ได้เจริญขึ้นมาจะเสื่อมลงไปสู่ความเป็นเดรัจฉานก็ได้ เป็นเปรตก็ได้เป็นอสูรกายก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้ขึ้นอยู่การกระทำบาปห้าข้อด้วยกันถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นร่างกายของมนุษย์แต่จิตใจนี้สามารถเปลี่ยนจากการเป็นมนุษย์ได้ด้วยการกระทำบาปและเปลี่ยนไปในขณะที่ มีร่างกายเป็นมนุษย์อยู่นี้จึงมีคำพูดว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานไปแล้วร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตไปแล้วร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นอสุ ร, รกายเป็นสัตว์นรกไปแล้วใจนี้เปลี่ยนไปตามบุญตามบาปที่ได้กระทาในขณะนั้นเลย ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ใจก็จะเป็นเดรัจฉานไปถ้าทำบาปด้วยความโลภใจก็จะเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวใจก็จะเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นอันนี้ก็จะ เป็นสัตว์นรกไฟทั้งๆ ท, ที่ยังมีร่างกายของมนุษย์อยู่แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วคนที่ทำบาปจึงมักจะถูกจับไปขังคุกขังตารางเพรา ะ, ะเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นเองเวลาที่เรามีสัตว์ป่าหลงเข้ามาอยู่ในบ้านเมือง เช่นมีเสือสิงกระทิงแรดหลงเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองเราก็ต้องจับมันเข้าไปขังไว้ในกรงกันเพราะถ้าปล่อยให้มันอยู่ข้างนอกกรงมันก็จะไปทำร้ายผู้อื่นได้จิตใจของผู้ที่ทำบาปก็เป็นเหมือนพวกที่เป็นเสือสิงกระทิงแรดนี้ถึงต้องจับไปขังไว้ในคุกในตาราง คนที่ไปติดคุกติดตารางนี้ก็แสดงว่าร่างกายนี้เป็นมนุษย์แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเ ป, เป็นเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับเหตุผลของการกระทำบาปว่าทำมากทำน้อย ทำด้วยเหตุผลอันใดนี่คือการปล่อยให้สภาพจิตใจเสื่อมลงไม่ได้พัฒนาถ้าปล่อยให้ใจกระทำบาปอยู่เรื่อยพระ<ม>พุทธศาสนาจึงสอนให้พวกเราละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อที่จะได้ป้องกันจิตใจของพวกเรา ไม่ให้ตกต่ำลงไปสู่พบของเดลฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกนั่นเองถ้าพวกเราสามารถรักษาศีลห้าได้อย่างต่อเนื่องใจของเราก็จะไม่ตกต่ำใจของเราก็จะเป็นมนุษย์ตามที่ร่างกายของเราเป็นอยู่ร่างกายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์เพราะ ใจมีศีลห้าเป็นที่คุ้มครองป้องกันคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาใจก็จะปลอดภัยจากการที่จะเสื่อมลงไปเป็นเปรตเป็นอสุลกายเป็นเดรชานเป็นสัตว์นรกแล้วถ้าอยากจะพัฒนาจิตใจ ให้สูงขึ้นกว่าการเป็นมนุษย์<ม>คือขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆพระพุทธศาสนาก็สอนให้พวกเราทำบุญทำทานกันนอกจากรักษาศีลแล้วเราก็ต้องทำบุญทำทานกันเราถึงจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทวดา เทวดานี้ก็มีหลายชั้นด้วยกันมีชั้นต่ำถึงชั้นสูงเหมือนกับโรงเรียนที่มีชั้นต่างๆมีชั้นปรถมชั้นอนุบาลชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาเทวดาก็มีชั้นต่างๆขึ้นอยู่ว่าได้ทําบุญมากทําบุญน้อยถ้าทําบุญมากก็จะได้ขึ้นสู่ชั้นที่สูง ทำบุญน้อยก็จะอยู่ชั้นต่ำนี่คือการพัฒนาจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเทวดาถ้าอยากจะไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ของเทวดาคือสวรรค์ชั้นพรหมก็จำเป็นที่จะต้องมีการบําเพ็ญส ม, มะถะภาวนาคือการนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบด้วยการสวดมนต์ไหว้พระด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธด้วยการดูลมหายใจเข้าออกเพื่อยุติความคิดปรุงแต่งของใจถ้าใจยุดคิดได้ใจก็จะสงบนิ่งแล้วก็จะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการ ทำบุญทำทานจากการรักษาศีลก็จะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมที่มีอยู่สองระดับด้วยกันรูปประพรมกับอรูปประพรมนี่คือการพัฒนาจิตใจขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับจากขั้นพรหมนี้เราก็สามารถ พัฒนาให้สูงกว่านี้ได้สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทพเนี่ยยังถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยังเสื่อมได้เพราะยังไม่ได้ขึ้นสู่ในระดับที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานคือระดับของพระอริยเจ้า หรือระดับที่เรียกว่าโลกุตระธรรมสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมนี้ยังถือว่าอยู่ในโลกียะอยู่เป็นโลกียะธรรมคือธรรมที่ยังตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่คือมีการเจริญได้แล้วก็ยังต้องมีการเสื่อมลงมา แต่มันก็เป็นทางผ่านที่เราจะดำเนินไปเพื่อให้เราได้ก้าวเข้าสู่ทาระดับโลกุตระละคือทาระดับที่ไม่มีวันเสื่อมคือระดับของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆถ้าเราได้ก้าวเข้าสู่ขั้นโสดาบันไปทาที่เราการพนันนาจิตใจของเรานี้ จะไม่เสื่อมลงมาถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพรหมหรือเป็นเป็นปุถุชนเป็นโสดาบันก็จะมีจะมีแต่ก็จะขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่กลับลงมาต่ํากว่าที่เป็นโสดาบันอยู่ เพะถ้าเราอยากจะพัฒนาให้ไปถึงจุดที่ยั่งยืนที่ถาวร น, นอกจากการรักษาศีลนอกจากการทําบุญทําทานนอกจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วเราก็ยังต้องปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญา การวิปาสนานี้คือการศึกษาความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายที่ใจของเราได้มาสัมผัสรับรู้และมาเกี่ยวข้องมาครอบครองเช่นราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆและตาหูจมูกลิ้นกายสภาวะธรรมเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎของายรัก คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของใครไม่ได้เป็นของเราเป็นของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างสภาวะธรรมทั้งปวงนี้เป็นของธรรมชาติไม่ได้เป็นของเราลาบยศสรรเสริญรูปเสีงยงกลิ่นรสตาหูจมูกรินกายนี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นของธรรมชาติ เป็นของที่ทำมาจากธาตุทั้งสี่คือด่นน้ำลมไฟมารวมตัวกันให้เป็นร่างกายเป็นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนะเป็นราบยศจัลเสิร์นรวมตัวแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมลงมันก็แยกกลับไปสู่ที่เดิมคือกลับไปสู่ธาตุดินน้าลมไฟ การพัฒนาสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการพัฒนาแบบชั่วคราวถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะได้ไม่ไปมีความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วแทนที่จะให้ความสุขไปตลอดก็จะต้องพบกับความทุกข์เพราะความสุขที่ได้นี้จะเป็นความสุขชั่วคราว จะต้องมีวันศูนย์ไปหมดไปจะต้องมีวันพัาดพาดจากกันนี่คือทำขั้นวิปัสสนาที่จะสอนให้ใจตัดความอยากต่างๆตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัตัดความอยากได้ลาบยศจรลเสิริญตัดความอยากที่จะได้ความสุขในระดับต่างๆ ให้หมดไปจากใจถ้าตัดความอยากได้หมดไปจากใจใจก็จะได้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นพระนิพพานขั้นสูงสุดในขณะที่เราตัดความอยากไปแต่ละตัวนั้นใจก็พัฒนาขึ้นไปจากขั้นโสดาบันก็ขึ้นไปสู่ขั้นสกิดาคามีขึ้นไปสู่ขั้นอนาคามี และลื่อนไปสู่ขั้นพระอาหารหันต์ตามความสามารถในการกำจัดความอยากต่างๆความอยากสามประการคือการะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้ เป็นความอยากที่ทำให้ใจของเรานั้นยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถึงแม้ได้ไปถึงขั้นแรกของพระอริยบุคคลก็คือขั้นพระโสดาบันแต่ความอยากนี้ก็ยังไม่ได้ถูกทำลายไปหมดถูกทำลายไปเพียงบางส่วนพระโสดาบันก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก แต่ไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้าขึ้นไปสู่ขั้นที่สองได้คือขั้นพระสะกิดาคามีก็ยังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินหนึ่งชาติเป็นอย่างมากแล้วถ้าขึ้นไปสู่ขั้นที่สามได้คือขั้นพระอนาคามี ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะสามารถตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไปได้หมดตัดรูปเมื่อไม่ต้องการมีรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็ไม่จําเป็นจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมแทนเหลืออีกชาติเดียวคือจะบรรลุจาก พอไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อไปไปตัดความอยากที่ยังเหลืออยู่คือภาวะตันหาและวิภาวะตันหาที่ยังตัดไปได้ไม่หมดตัดไปได้บางส่วนบางส่วนก็ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจก็ต้องไปชําระในในสวรรค์ชั้นพรมต่อไปจนกว่า ความอยากทั้งหมดที่เหลืออยู่ในใจก็ถูกทำลายหมดไปเมื่อถูกทำลายหมดไปด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาใจก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนอย่างที่พวกเราทั้งหลายยังกำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เพราะเรายังไม่ได้กำจัด ความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปนั่นเองในใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้านี้ต่างกันแค่ตรงนี้เองต่างกันตรงที่มีความอยากหรือไม่มีความอยากใจที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเราก็เรียกว่านิพพานส่วนใจที่ยังมีความอยากอยู่ในใจเราก็เรียกว่าสังสารวัต เป็นใจที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพในสังสารวัตนี้เองในการมาพบในรูปะพบและในอรูปะพบการมาพบก็คือพบที่ใจยังมีกามตัณหาใจยังเสกามอยู่คือพบของเทวดาของมนุษย์ของเปรตของเดรัจฉานของอสุรกาย และของสัตว์นรกอันนี้เป็นภพของผู้ที่ยังมีกามะตัญหาอยู่ภายในใจถ้ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ยังต้องกลับมามีตาหูจมูกร่างกายถ้าหาด้วยการทำบาปก็จะมาเป็นเรลชานมาเป็นเปรตมาเป็นนสุลกายหรือมาเป็นสัตว์นรกถ้าหาได้ด้วยการไม่ทำบาป ก็จะมาเป็นมนุษย์แล้วถ้าได้ทำบุญด้วยก็จะได้ไปเป็นเทวดานี่คือภพชาติของผู้ที่ยังมีกามะทันหาอยู่และยังทำบุญทำบาปอยู่ก็จะขึ้นขึ้ น, นลงลงอยู่ในกามะภพนี้ถ้ารักษาศีลได้ทำบุญได้ ก็จะไปเป็นเทวดากลับจากเทวดาลงมาก็มาเป็นมนุษย์มาทำบุญมารักษาศีลใหม่แล้วพอตายไปก็กลับขึ้นไปเป็นเทวดาใหม่แต่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเผลอไปทำบาปเข้าก็จะไม่ได้ขึ้นไปเป็นเทวดาอ้วจะลงไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้าง แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วไม่ทำบาปทำแต่บุญตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาใหม่นี่คือการคือจิตใจของผู้ที่ยังมีกามะทันหามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพระอยู่จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ เกิดมาก็ใหม่ก็มาหารูปเสียงกลิ่นรสกันใหม่ด้วยวิธีทําบาบ้างไม่ทําบาบ้างถ้าทําบาปก็ไปเป็นไปอบายไปเดลชาไปเป็นเดรลฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสูรกายไปเป็นสัตว์นรกถ้าไม่ทําบาปก็มาเป็นมนุษย์แล้วถ้าได้ทําบุญก็จะได้ไปเป็นเทวดา นี่คือจิตที่มีความอยากยังติดอยู่ในสังสารวัฏเน่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดสำหรับผู้ที่มีกามตัณหาก็ต้องเกิดอยู่ในกามะพุทธสำหรับผู้ที่ยุติความอยากในกามะพุในกามตัณหาได้คือพวกที่ถือศีลแปดพวกที่ออกบวชกัน พวกนี้เขาก็มายับยังความอยากทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็มาหาความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบเขาก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมสองชั้นด้วยกันคือชั้นรูปประรมกับชั้นอรูปประพมขึ้นอยู่กับความลึกของสมาธิว่าลึกมากน้อยเพียงไร ถ้าอยู่ในขั้นรูปประชานก็จะไปเกิดวนสวรรค์ชั้นรูปประผมถ้าอยู่ในสมาธิระดับอรูปประชานก็จะไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปประพรมแต่พอกำลังของสมาธิหมดไปเสื่อมก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วก็จะเลื่อนลงมาสู่เป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วก็ต้องมาทําบุญทําบาปเอมาทําบุญมารักษาศีลมานั่งสมาธิใหม่ถึงจะกลับขึ้นไปเป็นพรหมได้ใหม่ผู้ที่เคยทําก็จะมีนิ ส, สัยแบบนี้กลับมาก็จะทําตามนิ ส, สัยเดิมเคยรักษาศีลก็จะกลับมารักษาศีลเคยบวชก็จะกลับมาบวชคยนั่งสมาธิก็จะกลับมานั่งสมาธิ เพอเวลาที่เราทำอะไรแล้วมันมกักจะติดเป็นนิสัยแต่นิสัยนี้ก็แก้ได้พัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้หรือทำให้มันเร็วลงกว่าเดิมก็ได้พวกที่มีนิสัยที่นั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้พอได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็มาพัฒนานิสัยให้สูงขึ้นให้ดีกว่าเดิมได้ คือนอกจากการนั่งสมาธิแล้วเวลาออกจากนั่งสมาธิมาก็มาฝึกเจริญปัญญาฝึกพิจารณาตายลักกันฝึกพิจารณาอาริยสัจ ส, สี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมากให้เห็นว่าความทุกข์ที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้ความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้ เกิดจากกามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาการที่เราจะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายหยุดการหยุดกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาได้เราต้องมีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญาเห็นว่าการทําตามความอยากนี้นําไปสู่ความทุกข์และสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นความทุกข์เพราะมันเป็นสิ่ง ชั่วคราวเป็นของชั่วคราวเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขชั่วคราวที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะได้หยุดความอยากที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสะ เพราะเท่ากับการเป็นการหาความทุกข์กันไม่ใช่หาความสุขกันสู้ให้หยุดความอยากแล้วให้ตั้งอยู่ในความสงบดีกว่าอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบอยู่ในความไม่มีความอยากจะดีกว่าเพราะเวลาใจไม่มีความอยากนี้ใจจะสงบและมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากอันนี้ก็คือเรื่องของ การพัฒนาทางจิตใจการพัฒนาแบบยั่งยืนต้องมีพระพุทธศาสนามาปรากฏมาสั่งมาสอนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาการพัฒนาทางจิตใจก็จะพัฒนาได้แค่ขั้นโลกิยะคือขั้นไม่ยั่งยืนคือขั้นของอรู ป, ปรภูมิ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรุ้มาค้นพบโล ก, กุตระธรรมนี้ก็มีการพัฒนาทางจิตใจยอยู่มีการรักษาศีลกันมีการทำบุญให้ทานกันมีการนั่งสมาธิกันแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้แค่ขั้นรูปปภณทับอรูปปภมทังนั้นแล้วพอพอ พอสมาธิเสื่อมลงก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากอยู่ภายในใจอยู่ยังมีภาวะตันหามีวิภวะตัญหาอยู่สำหรับผู้ที่ได้ขึ้นไปสู่ระดับชั้นพรมกามาตันหาก็ได้ถูกกดเอาไว้ด้วยการรักษาศีลแต่ยังไม่ได้ถูกทำลายไปอย่างถาวรก็ยังสามารถที่จะดึงใจของผู้ที่ ได้ขึ้นไปสู่รูปประพมมและอารู ป, ประพรมนี้กลับมาเสบรูปเสียงกิดลดได้ถ้าจะทำลายความอยากได้อย่างถาวรนี้ต้องทำลายด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาคือด้วยการเห็นโทษของการทำตามความอยากในในรูปเสียงกิดลดว่าเป็นการที่จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป มามีร่างกายเพื่อจะได้มาเสพรูปเสียงกลิ่นลดต่อไปอันนี้จะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้ค้นพบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนถึงขั้นอรูปประพรมได้นั่งสมาธิเข้าสู่ขั้นรูปอรูปประชานได้แต่พระองค์ก็ยังเห็นว่ายังยังไม่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน พอเวลาออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากขณะที่อยู่ในสมาธิก็ค่อยๆจางหายไปเพราะยังมีความคิดปรุงแต่งยังมีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงค้นคว้าศึกษาอยู่ในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าสิ่งที่ทำให้ความสุขที่ได้พัฒนาขึ้นมาในจิตใจนั้นไม่ยั่งยืน ก็เพราะความอยากสามประการนี้เองคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพระองค์ก็เลยลงใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้นําไปสู่ความสุขที่แท้จริงเพราะสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นความสุขชัว่วคราวนั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดไป ท่านก็เลยหยุดความอยากทั้งสามประการนี้เลิกการเลิกเลิกความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเลิกความอยากมีอยากเป็นเลิกความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอเลิกพอหยุดความอยากทั้งสามประการนี้ได้ใจก็จะมีความสงบไปตลอดมีความสุขไปตลอดแะก็จะไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไป เพราะไม่มีความอยากเป็นตัวฉุดลากให้จิตกลับมาเกิดใหม่นั่นเองเมื่อไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผทธภัก็ไม่จำเป็นจะต้องมีตาหูจมูกวิ้นกายก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปแต่ตราบใดที่เรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังมีความอยากมีอยากเป็นอยู่ ยังมีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยู่ความอยากนี้มันก็จะดึงให้ใจของเรากลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำบุญทาบาปใหม่แล้วก็ไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นพรหมบ้างหรือไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสูรลกายไปเป็นสัตนรกบ้างตามอำนาจของบุญของบาปที่เราทำกันเราก็จะทากันอย่างนี้ไปเรื่อย เราได้เคยทำอย่างนี้มานมนานแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าน้ำตาที่พวกเราได้หลั่งไว้ในแต่ละภพแต่ละชาตินี่ถ้าเราเก็บสะสมไว้รวบรวมมาไว้ท่านว่ามันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าเราต้องมาเกิดมาร้องไห้กันกี่ครั้งด้วยกัน ถึงจะมีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นก็คือผลที่เกิดจากการที่เรายังไม่ได้ตัดความอยากให้หมดไปจากใจนความอยากทั้งสองนี่แหละเป็นตัวที่สร้างน้ำตาที่มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรและยังจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะถ้าเราไม่มาพัฒนาทางจิตใจกันไม่มาพัฒนาในระดับ วิปัสสนากันเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันมาร้องห่มร้องไห้กันมาเพิ่มน้ำตาที่มีมากกว่าน้ำในมหาสมมนี้ให้มีมากขึ้นไปอีกหลายเท่าด้วยกันเพราะมันจะไม่มีวันสิ้นสุดนะ <c oughs> การเกิดแก่เจ็บตายนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่ความอยากทั้งสามนี้ คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้ยังไม่ได้ถูกการรจัดให้หมดไปจากใจเราจึงต้องมาบําเพ็ญทำขั้นสูงสุดเกิดขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาถึงจะสามารถกาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ยุติความทุกข์ที่ทำให้เราต้องหลั่งน้ําตามมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรได้ต้องหยุดที่ความอยากทั้งสามประการนี้แต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่ขั้นปัญญาได้เราก็ต้องไต่เต้าขึ้นไปเหมือนกับการเรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ต้องเริ่มต้นจากขั้นอนุบาลแล้วก็ขยับขึ้นสู่ขั้นประถมขั้นมัธยม ถึงจะขึ้นสู่ขั้นอุดมศึกษาขั้นปริญญาได้ปัญญานี้ถือว่าเป็นขั้นระดับปริญร ญ, ญาเป็นระดับอุดมศึกษา<ม>ก่อนจะขึ้นสู่ขั้นอุดมศึกษาได้ก็ต้องขึ้นไปสู่ขั้นมัธยมก่อนขั้นมัธยมก็คือขั้นสมาธินี้เอง<ม>แล้วจากขั้นก่อนจะเข้าสู่ขั้นสมาธิได้ก็ต้องเข้า ก็ต้องผ่านขั้นศีลแปดไปก่อนนะศีลแปดหรือศีลสองรอยี่สิบศีลสิบหรือศีลสองรอยี่บเจ็ดไปก่อนและก่อนที่จะขึ้นสู่ขั้นศีลแปดได้ก็ต้องผ่านขั้นศีลห้าไปก่อนแล้วก่อนที่จะรักษาศีลห้าได้ก็ต้องผ่านการทําบุญทําทานไปก่อนเพราะถ้าเราไม่ทําบุญทําทานนี้เราจ ะ, ะไม่มีความเมตตา เราจะมีแต่ความโลภความอยากได้เงินได้ท้องได้ข้าวได้ของได้สิ่งต่างๆเราก็อาจจะทำบาปกันเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถหาได้โดยวิธีไม่ทำบาปเราก็จะทำบาปกันแต่ถ้าเราทาบุญทาทานได้เราจะมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็จะทำให้เราไม่อยากจะทำบาป คนที่ทำบุญนี้จะไม่ชอบทำบาปก็จะทำให้รักษาศีห้าได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญคนไม่ทำบุญนี้มักจะไม่รักษาศีนกันแต่คนที่ทำบุญแล้วนี้จะรักษาศีนกันได้ถ้ารักษาศีห้าได้เดี๋ยวก็ขยับเพิ่มเป็นศีแปดได้ตอนต้นก็รักษาศีห้าไปก่อนพอวันพระก็มาลองรักษาศีแปดดู มารักษาศีลแปดได้ก็จะมีเวลามาฝึกนั่งสมาธิได้พอนั่งสมาธิได้ใจมีความสุขก็อยากจะรักษาศีลแปดให้มากขึ้นก็จะรักษาเพิ่มจากอาทิตย์ละวันเป็นสองวันบ้างสามวันบ้างหรือเพิ่มเป็นตลอดเวลาเลยก็ได้ออกบวชเลยก็ได้เพราะเห็นประโยชน์ของการรักษาศีล ว่าเป็นการสนับสนุนในการมานั่งสมาธิทำใจให้สงบพอได้นั่งสมาธิได้ความสงบจากการนั่งก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปหาลาบยศจันลเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกก็จะทำให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาได้เมื่อเห็นว่าการหาลาบยศสันลเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสนี้ มันเป็นการหาความทุกข์เพราะความสุขที่ได้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปต้องจากกันไปเวลาหมดไปจากกันไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่แต่ถ้าเรามีความสุขจากความสงบจากการนั่งสมาธิเราก็จะฝืนความอยากได้เราจะไม่เดือดร้อนเราก็จะหยุดความอยากเพราะเราเห็นเป็นเห็นว่าการกระทำตามความอยากนี้เป็น การสร้างความทุกข์สร้างการเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะหยุดมันพอเราหยุดมันได้ใจเราก็จะไม่มีเหตุที่จะมาพาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่มีเหตุที่จะทําให้เราต้องทุกข์อีกต่อไปใจของเราก็จะสุขไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดเนกิดใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอราหารันต์ ท่านได้นนพัฒนาจากขั้นต่ำคือขั้นทานสู่ขั้นศีลสู่ขั้นสมาธิและสู่ขั้นปัญญาจนได้ถึงขั้นพระนิพพา น, านคือขั้นที่กาจัดความอยากต่างๆที่มีภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ใจของท่านก็เลยเป็นนิพพานไปพลิกจากการเป็นสังสารวัฏใจที่เวียนว่ายตายเกิด มาเป็นใจที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเรียกว่าพานิพานนี่คือเรื่องของการพัฒนาแบบ ย, ยั่งยืนแบบถาวรต้องมีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะพัฒนาทางจิตใจกันด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิ มันก็ยังเป็นการพัฒนาที่ยังไม่ยั่งยืนเพราะยังเรายังจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ต่อให้เรานั่งสมาธิขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นพรมได้แต่กําลังสมาธินี้มันก็เสื่อมได้หมดได้พอมันเสื่อมจิตของเราก็จะตกลงมาจากสวรรค์ชั้นพรมมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เพราะเรายังมีความอยากทั้งสามอยู่ในจิตใจการทําบุญทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธินี้ไม่สามารถกําจัดความอยากทั้งสามให้หมดไปได้อย่างถาวรเพียงแต่คุมมันไว้เท่านั้นกดมันไว้เท่านั้นชั่วคราวเวลาที่เรากดมันไว้มันก็ไม่สามารถออกมาทํางานได้เหมือนกับหินทับหญ้า เ, เวลาเราหินไปทับหญ้าไว้ หญ้ามันก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเราที่เราเอาหินออกมาเดี๋ยวหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นใดถ้าเราทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิได้เราก็เหมือนกับมีทำที่คอยกดความอยากไว้ไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเวลาที่การบุญการทำทานของเราการรักษาศีลของเรา การนั่งสมาธิของเรามันอ่อนกําลังลงเมื่อไหร่หมดกาลังเมื่อไหร่ความอยากมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่มันจึงพาให้เราต้องตกลงมาจากสวรรค์ชั้นพรมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพลงมาสู่ความเป็นมนุษย์ใหม่เพราะเวลาที่เราไปเป็นพรมเป็นเทพนี้เราไม่ไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองเราไปรับผลของการปฏิบัติทานศีลสมาธิ พอเราไม่ได้ปฏิบัติทานศีลสมาธิที่เราได้สร้างไว้มันก็จะค่อยๆหมดไปพอหมดไปความอยากมันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็ต้องมาสร้างทานศีลสมาธิกันใหม่แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็สอนให้เราทำอีกข้อหนึ่งก็คือให้เราทำปัญญาทำวิปัสสนาให้เราเห็นโทษของความอยากทั้งสาม และหยุดมันฝืนมันไม่ทำตามมันถ้าเราฝืนมันหยุดมันทุกครั้งที่มันอยากเราก็ไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็จะหมดกาลังไปแล้วมันก็จะไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาใหม่ได้อีกมันก็จะไม่ดึงให้ใจเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ อ, อีกต่อไปอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาประกาศพระธรรมคาสอน มามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธศาสนาพวกเราถึงจะสามารถที่จะกําจัดความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ทําให้ใจของเรายัางต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดกันอยู่ได้ชาตินี้จึงเป็นชาติวิเศษของพวกเราที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งโอกาสอย่างนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งโอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนา จึงขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติให้ถึงธรรมขั้นสูงสุดให้ได้เถอะคือนอกจากการทาบุญทำทานแล้วรักษาศีลห้าแล้วก็ขอให้เรามาหัดรักษาศีลแปดกันรักษาศีลแปแล้วเราก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิทําใจให้สงบกันถ้าเรานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ใจเราจะมีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้ลด ตัดความอยากได้หยุดความอยากได้ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าการทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็หยุดความอยากทั้งสามนี้เท่านั้นเองหยุดการมารฐาหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถปฏิบัติได้ อย่าไปมองในขณะที่เราเริ่มต้นว่ามันยากเย็นอย่าไปมองทำที่สูงกว่าที่เราทำได้ทําปฏิบัติธรรมที่อยู่ในความสามารถของเราไปก่อนเราทำทานได้ทำไปก่อนรักษาสีลห้ารักษาได้รักษาไปก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปถ้ารักษาสีลห้าได้ต่อไปก็จะขยับไปรักษาสีลแปดได้ รักษาศิ่งแปดได้ก็จะมีเวลามาฝึกมาทำสมาธิได้พอทำสมาธิได้ก็จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยปัญญาอย่างนั้นขอให้พวกเราจงใช้โอกาสอันดีงามของพบนี้ชาตินี้ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาให้พวกเรามาพัฒนาจิตใจของพวกเราแบบยั่งยืนกันดีกว่า หยุดการพัฒนาแบบชั่วกาวทางร่างกายกันเถอะเพราะมันเป็นการพัฒนาที่ไม่มีวันสิ้นสุดอที่จะ ท, ที่จะต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆตายไปแล้วก็ต้องกลับมาพัฒนาใหม่กลับมาพัฒนาได้มากได้น้อยตายไปก็หายไปหมดแล้วก็ต้องกลับมาล้นเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเรามาพัฒนาทางจิตใจทางทางทางที่พระเจา้าทรงสอนให้พัฒนา เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาพัฒนาการซ้ำแล้วซ้ำอีกพัฒนากันหนเดียวพัฒนาจนจิตขึ้นสู่ขั้นที่ไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ได้มาเกิดเป็นพระพุทธศาสนาขออย่าให้ปล่อยประโยชน์อันน้ำค่านี้หลุดจากมือของพวกเราไปโดยที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามคาสอนเลย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 สัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินสศตุมาเตภวตะวันตระโยสุขีทีคายุโกภวะ อภพิวาทานสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตรารโธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัอันลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถาม อยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมเวลาเลิกแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตมดการถามตอบปัญหาวันนี้ไม่ทราบว่าทางเ c e b o ๊ k เข้ามาเท่าไหร่วันนี้สามร้อยสามสิบสี่ครับแล้วก็าทาง u ู u ูบแปดสิบเจ็ดครับมีชาวต่างชาติเข้ามาไหมวันนี้ยังไม่มีครับ ใครอยากจะถามส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะถ้าไม่อยากจะมาถามเองถ้าอยากจะถามเองก็มามีไมโครโฟนให้ได้ถามถามได้ปัญหาเป็นปัญหาหัวอกเดียวกันถามแล้วคนอื่นก็จะได้รับประโยชน์เพราะเขาจะได้ไม่ต้องมาถามถ้ายัางไม่มีก็เอาทางบ้านก่อนก็ได้ คำถามแรกจากทางอินบ็อกซ์นะครับจากคุณวิรายุทธ์ข้อ 1. จิตที่เกิดความรู้คิดเป็นแนวธรรมะขณะเจอเหตุการณ์หนึ่งแล้วนำไปปรับเทียบคำสอนของครูบาอาจารย์ที่รู้หรือฟังมาแบบนี้จิตปรุงแต่งเองหรือทำออกจากในใจจริงๆครับดีหรือไม่ดีมีแนวทางปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับคือเบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยธรรมของครูบาอาจารย์ก่อน เพราะเราไม่มีในตัวเราเราก็ต้องอาศัยความคิดของครูบาอาจารย์ว่าท่านคิดยังไงในการแก้ปัญหาเมื่อเราเข้าใจแนวทางของการแก้ปัญหาแล้วเราก็เอามาใช้กับเราเบื้องต้นก็ต้องฟังก่อนฟังวิธีแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าบอกความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าอยากดับทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยาก การจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นแนวความคิดของพระพุทธเจ้าเราก็เอามาปฏิบัติเวลาเรามีความทุกข์เราก็ลองหยุดความอยากดูถ้ายังหยุดไม่ได้ก็มาดูว่าศีลเราพอมีพอหรือยังสมาธิมีหรือยังถ้ายังไม่มีก็ต้องมาสร้างศีลสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนถึงจะสามารถเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ ในการหยุดความอยากได้ข้อ2หลักคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าให้พิจารณาดูตัวเราเองไม่ควรไปว่ากล่าวผู้อื่นแม้เขาจะผิดจริงจริงหากเราไปพูดตักเตือนเขาด้วยความปรารถนาดีห่วงใ ย, ยใ น, นในฐานะคนรักกันหรือสามีภรรยาการทำแบบนี้ถือว่าเราผิดหลักการข้างต้นนี้หรือเปล่าครับ คือถ้าเรามีหน้าที่หรือว่ามีคนเขาต้องการให้เราว่าเก่าวตักเตือนเขาเราก็ทำได้แต่อันนี้ท่านพูดถึงในการที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราและไม่มีใครเขาต้องการให้เราไปว่าเก่าวตักเตือนเขาเราก็ไม่ควรที่จะไปกระทำทำในกรอบของเราเช่นเรามีลูกมีครอบครัว มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่อาจจะต้องคอยบอกคอยเตือนกันคอยสั่งครสอนกันก็ต้องทาถ้าไม่ทำก็เหมือนกับการละเว้นการกระทำหน้าที่แต่เราก็ไม่ไปว่ากล่าวตักเตือนครอบครัวของคนอื่นใช่ไหมคนอื่นเขาจะทำะไงก็เรื่องของเขานอกจากว่าเขามาขอร้องให้เราช่วยเขาว่ากล่าวตักเตือนเขานี่อันนี้ก็เป็นกรณีไป ข้อ 3. สัญญาเก่าข้ามภพชาติคือสิ่งใดแล้วหากมีอยู่จริงมีวิธีการปฏิบัติในการรื้อถอนสิ่งเหล่านี้อย่างไรครับก็ของที่เราเห็นแล้วเราชอบไม่ชอบนี่ก็เป็นสัญญาเก่าทนะ่านทำไมชอบสีเขียวทำไมไม่ชอบสีแดงอันนี้ก็สัญญาเก่าชาติก่อนเคยชอบสีเขียวคอยไม่ชอบสีแดงชาตินี้พอมาเจอสีเขียวก็ชอบสีแดงก็ไม่ชอบ ความชอบไม่ชอบของเรากับสิ่งต่างๆนี้เป็นสัญญาทั้งนั้นเป็นความจำที่ฝังลึกจนเป็นอัตโนมัติไปเห็นอะไรปั๊บรู้เลยว่าชอบไม่ชอบเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เราฝังมาวิธีที่จะแก้ก็คือต้องฝืนมันถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราชอบไม่ดีเราก็เปลี่ยนมันได้เช่นชอบดื่มโซดาแล้วมาทราบที่หลังว่าดื่มแล้วมันเป็นอันตรายเป็นโทษกับเรา เราก็ต้องฝืนเหมือนพยายามอย่าไปทำมันทุกครั้งที่เราอยากจะดื่มสุราเราก็ไม่ดื่มเดี๋ยวต่อไปความอยากดื่มมันก็จะหายไปหรือเราต้องให้สัญญาใหม่กับใจสร้างสัญญาใหม่คือสร้างความหมายใหม่ว่าสุรานี้เป็นพิษดื่มแล้วทาให้ร่างกายตายเร็วสุขภาพเสื่อมโทรมตับไตไส้พุงนี้จะถูกทำลายเสียเวลา เสียเงินเสียทองเสียสติเวลาดื่มโซราแล้วเมาไม่มีสติยับยั้งการกระทาที่ไม่ดีต่างๆเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปทำงานทำการทำประโยชน์ก็มาเสียเวลากับการดื่มโซราดื่มแล้วก็เมาทำอะไรไม่ได้ต้องหลับต้องนอนอย่างเดียวถึงเวลาตื่นไปทำงานก็อาจจะตื่นไปไม่ทันก็อาจจะตกงานได้นี่คือเราสร้างสัญญาใหม่ให้เห็นว่า ตุลานี่มันเป็นโทษเป็นภัยกับเราเมื่อเรารู้ว่ามันอันตรายเราก็จะได้ไม่ไปเสพมันได้คำถามต่อคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับมีมีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีชอบกินเหล้ามากๆและพอภรรยามาปฏิบัติธรรมสามีก็จะมีเรื่องทุกทีสามีมีสามีเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าค ก็ใครที่เขาไม่ถูกกับเราแล้เราก็เรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคนที่ถูกกับเราก็เป็นคู่บุญกันคนที่กดเราเกียดเราก็เป็นเจ้ากรรมนายเวเรแล้วคำถามต่อไปจากคุณหมูครับพระโสดาบันตัดการตัณหาได้สามสิบเปอร์เซ็นต์พระสะกิทาคามีห้าสิบเปอร์เซ็น พระ อ, อนาคามีหนึ่งร้อยเปอร์เซ์ในส่วนของภาวะตัญหาและและวิภาวะตัญหาละครับอันนี้เป็นความอยากในความสุขทางความสงบอยากในรูปฌปาน อ, อ, อยากในอรูปฌานก็เรยกเป็นวิภาวะตันหาทุกขเวทนาทางกายถือเป็นทุกในอริยสัจหรือไม่ครับหรือแค่ทุกเวทนาทางใจครับ ทุกเวทนาทางร่างกายนี้เป็นเวทนาไม่ได้เป็นอริยสัจเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์ในอริยสัจเพราะไม่ได้เกิดจากความอยากทุกข์ในอริยสัจนี้เกิดจากความอยากเช่นร่างกายสุขสบายแต่พอได้ยินข่าวไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะใจไม่อยากจะรับข่าวไม่ดีพอรับข่าวไม่ดีก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากจะได้รับแต่ข่าวดีๆพอได้รับข่าวไม่ดีใจก็ทุกข์ขึ้นมา อันนี้เป็นทุกข์ทางใจทุกข์ที่เกิดจากความอยากแต่ทางร่างกายนี้สับสบายดีร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เจ็บตรงนั้นไม่ปวดตรงนี้ก็เถอว่าไม่มีทุกขเวทนาทางกายในตอนนั้นนั้นทุกข์ทางใจกับทุกข์ทางกายนี้เป็นคนละเรื่องกันเพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันนั่นเองคนหนึ่งเจ็บอีกคนหนึ่งไม่เจ็บนียเช่นเป็นฝาแฝด แฝดพี่แฝดน้องแฝดน้องไม่เจ็บแต่แฝดพี่เจ็บไม่เกี่ยวกันคาถามต่อไปจากคุณฤทธิตาครับอยากทราบว่าเราจะทําบุญอย่างไรสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เขาถึงจะถึงจะได้รับผลบุญได้เจ้าคะ อ, อ๋อสัตว์เลี้ยงนี่ส่วนใหญ่เขาก็มาเกิดเพื่อมาใช้บาปของเขาในฐานะที่เขาไปทําบาปมาในอดีตชาติก็เลยทําให้เขามาเกิดเป็นเดรัจฉานฮ โอกาสที่เขาจะมาทําบุญก็น้อยมากเขาก็ทําได้เช่นเวลาที่เขาช่วยเราเฝ้าบ้านเวลามีขโมยมีมีคนแปลกหน้าเข้ามาเขาก็เหา่าเขาถือว่าเขาก็ได้ทําบุญในระดับหนึ่งได้ช่วยเหลือเราเช่นหมาที่เขามาฝึกให้เป็นหมาทําประโยชน์ะเช่นไปฝึกค้นยาเสพติดนี่ดมกลิ่นหมาดมกลิ่นเวลา ต้องติดตามคนร้ายอะไรอย่างนี้เขาก็เอาเสื้อผ้าของคนร้ายมาให้มันดมแล้วมันก็พยายามดามหากินนั้นอันนี้ก็เหมือนกับมันก็ได้ทำบุญแต่ความจริงมันก็ไม่รู้ว่ามันได้ทำบุญหรอกเพราะว่ามันก็ทำไปตามภาษาของมันนั้นการเป็นเดรัจฉานถึงยากที่จะทำบุญได้เพราะจะทำบุญได้จริงๆนี่ต้องมีเจตนาต้องมีความตั้งใจว่าอยากจะทาประโยชน์ทาคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำบุญแต่ถ้าถูกสอนถูกฝึกนี่มันก็ยังไม่ได้เป็นการทำออกมาจากใจทำมาเพราะว่ามีสินจ้างรางวัลใช่ไหเวลาเ็าฝึกให้ทำอย่างนี้ถ้าทำถูกเขาก็ให้กินอาหารกินอะไรอันนี้ฉะนั้นการเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ถือว่าตกอยู่ในสภาวะที่ทำบุญไม่ได้ทำบุญได้ยากคทํามต่อไปจะทาง facebook นะครับจากคุณพิมครับ ความรู้ที่เกิดจากการเจริญปัญญาด้วยการวิปัสสนาแตกต่างจากการหาความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรเจ้าคะคือความความรู้ทางโลกนี้ไม่ได้นําไปสู่การดับทุกข์ความรู้ทางโลกนี้ทําให้เราเอาความรู้นี้มาประกอบสัมมาชีพได้เช่นเราเรียนรู้ทางบัญชีเราก็เอาความรู้นี้มาประกอบอาชีพคิดบัญชี ให้คนที่เขาคิดบัญชีไม่เป็นได้เราก็ได้รับค่าจ้างจากเขาไปแต่ความรู้ทางธรรมนี้เป็นความรู้ที่เราเอามาใช้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราเพราะท่านจะสอนต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราว่าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากกิเลสตัณหาและการจะดับความทุกข์ทางใจเราก็ต้องมีพลังกำลังพอที่จะสู้กับกิเลสตัณหาได้ ก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเห็นความรู้ทางทางโลกกับทางธรรมนี้มีเป้าหมายต่างกันความรู้ทางโลกถึงแม้จะรู้มากถึงระดับปิญญาเอกก็เป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้รอดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องเป็นความรู้ทางธรรมเท่านั้นที่จะทาให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ได้ คำถามจากผู้ฟังถามข้างบนนะครับข้อหนึ่งวิปัสนาและกรรมัฐานต่างกันอย่างไรคำว่ากรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่เราใช้ในการฝึกสมาธิและฝึกวิปัสนาเช่ hmm. นกรรมฐานที่เราฝึกสมาธิก็คือพุทโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เรากาลังใช้กรรมฐานคือพุทธานุสติกรรมฐานนี้มีอยู่สี่ชนิดสี่สิบ แล้วก็มีแบ่งเป็นสองพวกพวกที่เป็นวิปัสสนาก็มีพวกที่เป็นสมาธิก็มีมเช่นการบริกรรมพุทโธนี่เรียกว่าพุทธานุสติ<ม>ก็เป็นกรรมฐานสําหรับการทําใจให้สงบ<ม>ก็เรียกว่าเป็นสมาธิส่วนกรรมฐานที่จะนํามาทําให้เป็นวิปัสสนาก็มีเช่นการพิจารณาซากศพสิบประการนซ<ม>ากพิจารณาร่างกายที่ตายไป ตายใหม่เป็นยังไงตายสามวันเป็นยังไงตายอาทิตย์หนึ่งเป็นอย่างไรก็จะเห็นสภาพของความเสื่อมของร่างกายของการแยกสลายของร่างกายให้คืนเป็นดินน้ำลมไฟไปถ้้เห็นแบบนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาเพราใจเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเห็นอนัตตาเห็นว่าร่างกายไม่มีตัวตนร่างกายมาจากดินน้าลมไฟแล้วก็จะกลับคืนสู่ดินน้าลมไฟไป อันนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาไปเน้นกรรมฐานนี้เป็นได้ทั้งสองอย่างบางอย่างก็เป็นสมาธิบางอย่างก็เป็นวิปัสสนาข้อสองความอยากที่จะพัฒนาตนเองแบบถาวรถือว่าเป็นกิเลสหรือไม่อันนี้เป็นความอยากที่ไม่เป็นกิเลสเพราะเป็นความอยากที่จะฆากิเลสความอยากฆากิเลสนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นธรรม ข้อสถ้าหากตั้งใจจะถือสินแปดแต่ติดกับข้อจํากัดในการทํางานเช่นการแต่งกายควรจะลดไปถือสินห้าหรือถ้าถือสินแปดแต่ปฏิบัติไม่ครบจะเหมาะสมหรือไม่ก็ดีกว่าปฏิบัติศินห้าถึงแม้จะไม่ได้ครบ8ข้อได้หข้อก็ยังดีกว่าได้ห้าข้อได้7ข้อก็ยิงดีกว่ายันข้อไหนที่เรายังรักษาไม่ได้เราก็เว้นไว้ก่อน ในเวลาเราทําข้อสอบเวลาเราเจอข้อสอบไหนมันยากเรายังทําไม่ได้เราก็ข้ามไปก่อนรีบไปทําข้อที่มันง่ายก่อนเดี๋ยวเวลามันจะหมดนก็รีบทําข้อที่มันเราทําได้ก่อนพอเราทําข้ออื่นได้แล้วเราค่อยกลับมาทําข้อที่ยากต่อไปคํำถามต่อไปจากคุณติ๊กครับขอเรียนถามว่าถ้าลูกใส่บาตและทําทานต่างๆ แต่ไม่ได้กรวดน้ําอุทิศบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านจะได้รับไหมเจ้าคะคือการอุทิศบุญนี้ไม่จาเป็นจะ ต, ต้องใช้น้ากรวดก็ได้คือใช้ใจเรากรวดเราตั้งจิตอธิษฐานไปภายในใจนะว่าเขาทิศ ส, ส่วนบุญนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ถือว่าได้อุทิศบุญแล้วเนืงแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่อุทิศบุญบุญนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปให้พ่อให้แม่ได้ พ่อแม่ไม่สามารถรับได้ถึงแม้จะรอรับอยู่เพราะว่าเราไม่ได้กําหนดไม่ได้บอกว่าจะขอฝากบุญไม้ให้กับใครงั้นถ้าเราอยากจะให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้รับบุญที่เราเราต้องอุทิศแต่การอุทิศนี้ไม่ต้องใช้น้ําใช้น้ําใจแทนความจริงใช้น้ําใจนี่แหละเป็นการอุทิศที่ถูกต้องที่แท้จริงการใช้น้ํานี่เป็นการอสอนคนที่ไม่รู้ว่าน้ําใจเป็นยังไง ก็เให้ใช้น้าเป็นตัวอย่างคาถามต่อไปจากคุณภูจังครับทำไมมนุษย์เราถึงชอบทำผิดศีลข้อสามซ้ำแล้วซ้ำอีกคะเพราะการมาตันหาไงความอยากในกามเพราะอยากแล้วมันทรมานใจแล้วถ้ า, า, ารักษาศีลมันก็จะทำไม่ได้เช่นบางทีคู่ครองของเราไม่อยู่ไปอยู่ที่อื่นเราอยู่คนเดียวเหงาขึ้นมาเดี๋ยวอยู่ใกล้คนใช้อาจจะ ทนไม่ได้เกิดความอยากขึ้นมาก็เลยต้องไปทำผิดศีลข้อสามไปคาถามต่อไปจากคุณวิไลครับหากมีเหตุจำเป็นไม่มีใครขับรถพระภิกษุขับรถเองได้ไหมเจ้าคะก็ไม่ควรเนะี่ยเพราะว่าพระวินัยห้ามไหพระภิกษุทำกิจกรรมเหล่านี้ถ้าไม่มีความไม่มีใครขับรถก็เดินได้ขึ้นรถเมล์ก็ได้ เป็นแท็กซี่ก็ได้ครับคำถามจากคุณภูจังอีกครั้งนะครับพญานาคเข้าท่งในร่างของมนุษย์ได้หรือไม่คะอันนี้เราก็ไม่รู้นะพญานาคก็เป็นเทพยอย่างหนึ่งนะคือเขาไม่เข้าส่งใครทั้งนั้นนะจิตใครจิตมันไม่มีใครเข้าทรงจิตของใครได้พวกที่เขาเข้าส่งนี่มันไม่ได้มีใครมาเข้าส่งนะจิตของเขาเข้าท่งในตัวเขาเอง คำถามต่อไปจากทาง youtube นะครับจากคุณศิลาขณะนั่งเห็นผู้ดูกําลังดูอิริยาบถอยู่ทําอย่างไรความรู้สึกอันนี้จะอยู่ได้นานๆเจ้าคะก็พยายามดูบ่อยๆฝึกดูบ่อยๆให้มีสติเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายบ่อยๆอย่าให้คิดถ้าคิดแล้วมันก็จะไม่ได้ดูแต่ถ้าเราไม่คิดเราก็จะดูดูอยเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยดูไปครับ คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณจุฬารัตน์ครับวิหารทานมีอะไรบ้างอา น, นิสง์ดีกว่าทานปกติหรือเสมอกันอย่างไรครับคือวิหารก็แปลว่าที่อยู่อาศัยศนะาลาโบสถก็เป็นวิหารกุฏิอะไรเหล่านี้เรียวกว่าทานอะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเราก็เรียกว่าวิหารมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสําคัญพอๆกับปัจจัยอื่นคืออาหารบิณฑบาตเครื่อง จีวรยารักษาโรคทำก็มันก็มีประโยชน์ต่างกันไปมันก็มีทาหน้าที่ต่างกันไปมีเสื้อผ้าก็ไว้ปกปิดร่างกายมีที่อยู่อาศัยก็จะได้เป็นที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยได้มีอาหารก็จะได้อย่างชีพได้มียารักษาโรคก็จะได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ก็เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการดารงชีพก็มีประโยชน์ เท่าๆกันเพราะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็อาจจะทำให้ร่างกายสิ้นสภาพไปได้คำถามต่อไปจากคุณวัชราครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเรื่องความโลภและวิธีกำจัดความโลภความตณีครับทุกครั้งที่ผมต้องเสียเงินโดยที่ไม่ควรจะต้องเสียจะเกิดความรู้สึกหัวงเงินที่เสียไปแล้วก็เกิดโทสาว่าทำไมถึงเสียกับเรื่องแบบนี้ครับ ก็ความตณิชก็ต้องพิชใช้ใช้ใช้ความคิดว่าตายไปเราก็เอาเอาเงินทองนี้ไปไม่ได้ห่วงไว้เก็บไ ว, กไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเก็บไว้เฉยๆตัวเองก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะหายตณิชได้มาคิดว่าเอาเงินเนี้ยที่เราห่วงเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่าเวลาเราทําบุญแล้วเราเอาบุญไปได้ บุญนี่ก็เป็นเหมือนเงินที่เราแปลกเปลี่ยนตอนที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศเรารู้ว่าเงินบาทนี่พอไปอยู่ต่างประเทศเราใช้ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปเงินดอนไปพอเราเอาเงินดอนไปเราก็สามารถใช้ได้เวลาที่เราอยู่ต่างประเทศฉะนันได้เวลาเราตายก็เหมือนกับเราไปต่างประเทศเราออกจากโลกกธาตุไปสู่โลกโลกทิพย์โลกทิพย์ไม่ใช้เงินทองที่เราใช้ในโลกกธาตุ โลกทิพนี้ต้องใช้บุญแทนเราก็เอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้มาแลกเปลี่ยนเป็นเป็นบุญไปและเวลาเราไปเราก็จะได้ไปร่ารวยไปเป็นเศรษฐีไปเป็นเทวดาถ้าเราตนีเราไม่ทำบุญแล้วเรายังทำบาปในการหาเงินตายไปเราจะไปเป็นเปรตไปเป็นขอทานแทนถ้าเราคิดอย่างนี้ก็อาจจะทำให้เราลายความตะนีลงไปได้คาถามต่อไปจากคุณธาดาครับ ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ครับผมศรัทธาหลวงพ่อท่านหนึ่งมากครับแต่ทําไมจิตผมถึงไปปรามาท่านครับผมอยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรและมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับคือเรื่องเหตุเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจแล้วเรื่องเหตุก็คืออาจจะเป็นนิสัยของเราที่ชอบปรามาใครเห็นอะไรที่เราไม่ถูกใจเราก็ไปปรามาสเขาดังั้นเราต้องมาฝึกสติคอยควบคุมความคิดของเรา เวลาเราเริ่มจะปรามาสใครเราก็ใช้พุทโธหยุดมันเสียพอเรารู้ว่าเรากำลังปรามาสเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเขาเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งความคิดที่จะปรามาสเขาก็หายไปทำอยานี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่ปรามาสใครคำถามต่อไปจากคุณขวัญเรือนครับในวันเกิดเราควรทําบุญอะไรบ้างครก็มีตั้งแต่ทําทานรักษาศีลภาวนา ที่เราสามารถทำได้ทำได้ทุกอย่างก็จะดีเพราะว่ามันเป็นสูตรเนี่ยทำอย่างเดียวก็เหมือนกินข้าวอย่างข้าวเปล่าทำทานก็เหมือนกินข้าวเปล่ารักษ า, าศีลก็เหมือนมีกับข้าวถ้าภาวนาก็เหมือนมีของหวานมีผลไม้แถมเวลาเรากินอาหารเราก็อยากจะกินให้ครบทั้งสี่ทั้งสี่เราสี่หมู่ด้วยกัน เวลาทำบุญก็ควรจะทำบุญให้ครบทั้งสามหมู่ก็ได้ก็ดีทำทานด้วยการเสียสละทรัพย์รักษาศีลห้ารักษาศีลแปดไปฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบไปฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญต่างๆที่เราควรจะทำกันคาถามสุดท้ายนะครับอ่าสุดท้ายจากคุณยุพาพรครับหลวงพ่อคบ ถ้าเราเริ่มรู้สึกตัวว่าอันนี้คือทุกข์เราเริ่มเข้าใจในการนั่งสมาธิแล้วหรือยังคะก็เรายังต้องเข้าใจว่าอะไรทำให้เกิดความทุกข์นี้ขึ้นมาเพราะเรายังต้องมีหน้าที่ที่เราจะต้องกำจัดความทุกข์นี้ให้ได้เพราะความทุกข์นี้เรากำจัดได้ถ้าเป็นความทุกข์ทางใจแต่ถ้าเป็นความทุกข์ทางร่างกายนี้เรากาจัดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่เหตุการณ์ เช่นถ้าปวดหัวถ้ามียากินก็หายปวดได้ถ้าไม่มียากินมันก็มันก็หายเหมือนกันแต่อาจจะช้าหายช้าหน่อยเป็นไปตามวาระของมันส่วนความทุกข์ทางใจนี่เราสามารถดับได้ทันทีถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ทางใจเกิดจากอะไรแล้วเราหยุดต้นเหตุ น, นั้นกำจัดต้นเหตุ น, นั้นได้ความทุกข์ในใจก็จะหายทันทีงั่น พอเรารู้ทุกข์แล้วขั้นที่สองก็ต้องค้นหาว่าต้นเหตุสาเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าเกิดจากความอยากต่างๆของเราเองฉะนั้นถ้าเราค้นพบว่าตอนนี้เราทุกข์เพราะเราอยากให้สามีเขาไม่ดื่มสุราแต่เขายังดื่มอยู่เราก็ต้องหยุดความอยากไม่ให้เขาดื่มสุราเสียปล่อยให้เขาดื่มให้พอปล่อยให้เขาดื่มไปให้ตายไปเลยพอเราปล่อยเขาไม่ให้เขาดื่มให้เขาดื่ม